ด้วยรักบรรดานในทานสีขาวเรื่องหัวขโมยผู้ไม่เคยทำความดีในการหนึ่งเมืองพาราณสีได้จัดให้มีงานบวงสวงครั้งใหญ่ต่อองค์พระศิวะมหาเทพผู้ทรงเป็นที่ศรัทธา ย, ยิ่งของชาวพาราณสี ผู้คนทั้งใกล้และไกลรวมไปถึงประชาชนต่างเมืองได้เดินทางมาร่วมงานนี้อย่างล้นหลามเนื่องจากกษัตริย์แห่งเมืองพราราณสีโปรดให้จัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนกล่าวถึงพระศิวะมหาเทพซึ่งประทับอยู่บนสวงสวรรค์ก็ทรงทอดพระเนตรงานบวงสรวงครั้งนี้ด้วยความสนพระไัยเช่นกัน จนกระทั่งผ่านไปสามวันตามเวลาบนโลกมนุษย์พระองค์ก็รู้สึกเบื่อหน่ายและเลิกสนพระไยงานบวงสรวงอันยิ่งใหญ่นั้นไปในที่สุดเวลานั้นเองปาตีเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนพระสิวะหลังจากสนทนาในเรื่องทั่วไปกันอยู่ครู่หนึ่งปาตีจึงกล่าวแสดงความยินดีแก่พระศิวะว่า ตอนนี้พวกมนุษย์ได้จัดงานบวงสวงครั้งยิ่งใหญ่มอแบแด่พระองค์ข้าพระองค์เห็นว่ามีประชาชนมากมายแห่ไปบูชาพระองค์ที่ลานบูชากันทุกวันไม่ขาดสายนั่นแสดงว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักและศรัทธา ย, ยิ่งของมนุษย์ไม่เสื่อมคลายข้าพระองค์เห็นแล้วก็รู้สึกชื่นชมในพระบารมียิ่งนัก อย่าใช้สิ่งที่เจ้าเห็นและคิดเองมาเยิอนยอข้าเลยปาวตีพระศิวะตรัสอย่างไม่นึกยินดีด้วยจริงอยู่ที่มีฝูงชนมากมายถือดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาข้าแต่พวกเขาไม่ได้มาด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆบางคนไม่มีความเมตตาบางคนละโมบโลภมากและมีหลายคนทีเดียว ที่จิตใจเมามัวไปด้วยกิเลสหากเจ้าคิดว่าคนพวกนั้นดันด้นมาบูชาข้าด้วยความรักความศรัทธาก็ขอให้เจ้าคิดใหม่เถอเพราะแท้ที่จริงแล้วพวกเขามาเพื่อต้องการขอนั่นขอนี่นนจากข้ามากมายซึ่งข้าไม่มีทางยินยอมให้พรของข้าไปตกอยู่กับมนุษย์ใจต่ำเช่นนั้นหรอกแต่ปวตี กลับเห็นว่าไม่มีทางเป็นเช่นนั้นไปได้พระองค์คือมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แม้จะมีผู้มาเพื่อขอพรบ้างก็ไม่แปลกแต่นั่นอาจจะเป็นส่วนน้อยก็ได้ข้าพระองค์เชื่อว่าหลายคนมาเพราะประสงค์ที่จะบูชาพระองค์อย่างแท้จริงและผู้บูชาพระองค์ก็คือผู้มีจิตใจสูงส่งทั้งสิ้นหากเจ้าไม่เชื่อจะลองไปดูไม่เล่า พระสิวะตรัสถามดูอย่างไรกันพระองค์ปาวตีทูลถามอย่างสนใจเรากับเจ้าจะแปลงกายไปเป็นคนชราไปพิสูจน้ำใจมนุษย์พวกนั้นกันพระสิวะว่าและเมื่อปาวตียินยอมตามนั้นพระองค์ก็ทรงพาปาวตีลงไปยังโลกมนุษย์ทันทีเมื่อลงมาถึงโลกมนุษย์ณนะทางเข้าเมืองพาราณสี พระศิวะก็ได้แปลงกายเป็นชายชราป่วยหนักส่วนเทพปวตีก็แปลงกายเป็นหญิงชราผู้เป็นภรรยาของร่างแปลงพระศิวะแล้วทั้งสองก็นั่งลงตรงทางเข้าเมืองนั่นเองหญิงชราซึ่งแท้จริงแล้วคือเทพปวตีได้อ้อนวอนร้องขอน้ามจากฝูงชนที่เดินผ่านไปมาด้วยเสียงแหบแห้งว่า ท่านผู้เจริญได้โปรดแบ่งอาหารและน้ำให้เราสองหัวเมียบ้างเถิดสามีข้าป่วยหนักใกล้จะตายเพราะขาดอาหารส่วนข้าก็กระหายน้ำจนแทกจะเป็นลมอยู่แล้วหญิงชาวบ้านคนหนึ่ง เดินมากับสามีของนางและได้สบสายตาอันน่าเวทนาของหญิงชราโดยบังเอิญ น, นางจึงกล่าวว่าข้าให้ของเหล่านี้กับพวกเจ้าไม่ได้หรอกพราะขาต้องนาอาหารรสเลิศและน้าบริสุทธิ์ในคอนโทไปถวายองค์พระศิวะ<อ>เพื่อให้พระองค์อํานวยพรแก่ข้าหญิงชราสงสายตาวาววพร้อมกับกล่าวว่า แต่ข้าและสามีกำลังจะตายเพราะขาดอาหารและน้ำพระสิวะคงไม่ว่าอะไรกระมังหากท่านจะแบ่งของเหล่านั้นให้กับเราสองคนบ้างเพราะพระองค์ก็มีของบูชามากมายอยู่แล้ว เมื่อสามีของหญิงชาวบ้านได้ยิงเช่นนั้นก็ mm hmm. โกโรธมาก mm hmm. เขาตะคอกใส่หญิงชราอย่างหยาบคายว่า mm hmm. ชิชะเจ้าคนจรจัดโสโครกหากพวกเจ้าได้อาหารชันเลิศของข้าไปข้าจะได้อะไรตอบแทนจากพวกเจ้าบ้างเจ้ามีปัญญาให้พรข้าเหมือนองค์พระศิวะหรือเจ้าไม่มีทางทําได้อยู่แล้วแล้วเรื่องอะไร ข้าจะต้องแบ่งอาหารให้พวกเจ้าด้วยถอยไปซะพวกขัดลาบขัดความสุขดูเหมือนว่าคนอื่นๆที่ผ่านไปมาก็คิดไม่ต่างไปจากสามีภรรยาคู่นี้เท่าไรนะักแทบทุกคนเห็นว่าชายชราและหญิงชราเป็นผู้ทำลายบรรยากาศอันเป็นสิริมงคลอย่างไม่น่าให้อภัย ดังนั้นนอกจากพวกเขาจะไม่แบ่งอาหารหรือปันน้ำให้แม้แต่สักหยดแล้วยังพากันด่าว่าสองผัวเมียชราด้วยถ้อยคำรุนแรงอีกด้วยไปพ้นนะไม่อย่างนั้นข้าจะเรียกทหารมาลากตัวพวกแกออกไปคอยดูเถอะมหาเทพสิวะจะต้องสาปแช่งพวกแกอย่างสาสมแน่โทษฐานรบกวนผู้คนที่จะมาบูชาพระองค์บางคนก็กล่าวอย่างเสียไม่ได้ว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันหากข้านำน้ำบริสุทธิ์ไปบูชาพระศิวะเสร็จแล้วและน้ำในคอนโทรยังเหลืออยู่อีกสักสองสาหยดข้าก็จะเอามาให้พวกเจ้าจะเห็นได้ว่าไม่มีใครคิดใส่ใจคนชาราทั้งสองอย่างจริ ง, ง, จ, งจังเลยสักคน จนกระทั่งมีชายหนุ่มท่าทางมอมแมมคนหนึ่งเดินผ่านมาแต่เขาไม่มีเครื่องบูชามากมายดังเช่นคนอื่นๆมีเพียงคนโทใส่น้ำหนึ่งใบอยู่ในมือเท่านั้นเมื่อเห็นชายหนุ่มหญิงชราก็อ้อนวอนขอน้าจากเขาขออาหารและน้ำดื่มให้ข้าและสามีของข้าด้วยเถอด ชายหนุ่มหยุดเดินแล้วหันมามองคนชาราผู้น่าเวทนาทั้งสองข้าไม่มีอาหารดีๆให้ตาเห็บยายรอกมีเพียงน้ำบริสุทธิ์ซึ่งเป็นของดีที่สุดที่ข้าพอจะหามาบูชาแด่พระศิวาได้เท่านั้นแค่น้ำก็ช่วยชีวิตพวกข้าได้แล้วแค่น้ำก็พอหญิงชาราคลางเสียงแหบแห้งชายหนุ่มนิ่งคิดก่อนจะตอบว่า อย่างนั้นตากับยายก็เอาไปแบ่งกันดื่มเถิดเจ้าไม่เสียดายน้ำหนีหรือเจ้าไม่อยากนำน้ำไปถวายพระศิวะเพื่อขอพรจากพระองค์หรอกหรือชายชราถามขึ้นมาบ้างไม่เป็นไรหรอกอันที่จริงข้าก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีอะไรนะัก ข้าไม่เคยทำความดีมิหนำซ้ำยังเป็นหัวขโมยที่มักหยิบฉวยของของคนอื่นอยู่บ่อยๆคนอย่างข้าถึงจะนำของดีเลิ์แค่ไหนไปถวายพระศิวะพระองค์ก็ไม่ทรงเมตตาให้พรแก่ข้ามีแต่ทรงสาบแช่งด้วยซ้ำแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นพวกท่านแล้วเกิดความสงสารอยากทำความดีแก่คนอื่นบ้าง ชายหนุ่มตอบพลางช่วยประคองสองสามีภรรยาผู้ชราให้ดื่มน้ำจากคนโรของเขาทันทีที่น้ำจดสุดท้ายหมดจากคนโทร่รางชราของคนทั้งคู่ก็กลับคืนเป็นพระศิวมหาเทพและเทพปาวตีดังเดิมชายหนุ่มตกใจมากถึงกับพะงะถอยหลังอย่า ก, กลัวไปเลยข้าคือศิวและนี่คือเปาวตีเทพพระเจ้าอีกองหนึ่งบนสวงสวรรค์ พระศิวะพูดกับชายหนุ่มซึ่งนั่งเบิกตามองด้วยความมึนงงข้ากับปาวตีแปลงกายเป็นชายและหญิงชราเพื่อลองใจมนุษย์ผู้ดั้นด้นมาบูชาข้าและเจ้าทำให้ข้าได้ประจักษ์ชัดว่าผู้ที่ทำให้ข้าพอใจและสมควรได้รับพรจากข้าต้องเป็นผู้มีความดีงามอยู่ในใจิตใจมิใช่ผู้ที่ถวายเครื่องบูชาชั้นยอด ฝูงชนมากมายมาเพื่อบูชาข้าแต่มีเจ้าคนเดียวที่ควรได้ขึ้นสวรรค์เมื่อไรสิ้นอายุไขของเจ้าแล้วข้าจะขอต้อนรับเจ้าสู่สวงสวรรค์แต่เจ้าต้องเลิกเป็นขโมยซะก่อนเทปปวตีกล่าวเสริมอย่างอารมณ์ดี ชายหนุ่มได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดความปิติเป็นอย่างยิ่งเขารีบพนมมือขึ้นแล้วกล่าวคำสัญญาต่อมหาเทพศิวะและเทพปาวตีว่าข้าพระองค์สัญญาว่าจะเป็นคนดีที่ควรคู่กับพรอันประเสริฐของพระองค์ต่อไปนี้ข้าพระองค์จะเลิกเป็นขโมยอย่างเด็ดขาดและจะตั้งใจทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเธอทั้งหลาย เธอควรทำความดีตลอดเวลาทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่นไม่ว่าพระเจ้าหรือเท พ, พเจ้าต่างก็ทรงรักและเมตตาคนดีดังนั้นพระองค์จึงมักอวยพรให้คนดีประสบแต่สิ่งดีๆอยู่เสมอสำหรับใครที่ไม่ใช่คนดีก็ไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เธอถึงจะเป็นคนดีถ้าเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ใช่สิ่งที่ดี เธอก็หยุดเสียแล้วให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่ในครั้งแรกๆเธออาจเกิดความไม่ชอบใจทั้งๆ ท, ที่เธอก็สู้อุตสาห์เปลี่ยนแปลงตัวเองถึงขนาดนั้นแล้วแต่เหตุใดไม่มีสิ่งดีๆตอบแทนมาบ้างไม่มีใครเชื่อไม่มีใครชื่นชมแต่เธอลองคิดดูเถิดก่อนที่เธอจะเริ่มทําความดีเธอได้ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นไปมากเท่าไหร่ คนที่เจ็บปวดเพราะเธอเขาย่อมไม่อยากถูกทำร้ายอีกดังนั้นเขาจึงต้องปฏิเสธเธอเอาไว้ก่อนนี่เป็นเรื่องปกติที่ย่อมเกิดกับคนเพิ่งเริ่มทำความดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเธอต้องคิดให้ได้ก่อนว่าทำไมเธอถึงอยากทำความดีนั่นเพราะเธออยากอยู่อย่างสบายใจไม่ใช่หรือดังนั้นอย่ายอมแพ้ จงมีจุดยืนเป็นของตนเองและเฝ้าทำความดีตลอดไปแม้วันนี้จะไม่มีใครมองเห็นแต่สักวันอาจมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันที่ใครๆมีความคิดใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเธอถ้าวันนั้นมาถึงเธอจะรู้ว่าการทำความดีเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างนี้นี่เองบางครั้งความดีก็ทำยากแต่เพราะยาก เราจึงต้องทำเหมือนข้อสอบนั่นอย่างไรถ้าข้อสอบง่ายเกินไปจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเข้าสอบเก่งจริงๆ